อนาปฏิวนันพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ954 1. นึ่งพิชชนีชุดลากหรือใช้ปู้นให้ชุดลากพิชชณีไม่มีความลาย 2. องพิชชนีขนหรือใช้ปูนให้ขนบริขารของพิชชณีไม่มีความลายนั้น3ามพิชชนีชุดลากหรือใช้ปูนให้ชุดลากพิชชณีวิกลจริต 4. ี่พิชชนีขนหรือใช้ปูน่นขนบริขารของพิชชณีวิกลจริตนั้น ห้าพิชชนีฉุดลากหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดลากพิชชณีก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงศ์หกพิชชณีขนหรือใช้ผู้อื่นให้คนบริขารของพิชชณีผู้ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงนั้น 7. จ็ดพิชชนีฉุดลากหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดลาก อันเตวศนีหรือสัต ธ, ธิวิหาริณีผู้ประพฤติไม่ชอบ 8. ปภิกษุณีขนหรือใช้พูดให้ขนบริขารของภิกษุณีอันเตวศนีหรือสัต ธ, ธิวิหาริณีผู้ประพฤติไม่ชอบนั้น9กภิกษุณีวิกลจริต10บภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่5จบ